จังหวัดอ่างทองนะับเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งค่ะเนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้บ่งบอกว่าอ่างทองมีชื่อเดิมนะคะว่าเมืองวิเศษชัยชาญเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพมา่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายตอนค่ะว่าพม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายตีกรุงศรีอยุธยาและเกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือศึกบางระจันค่ะ บ้านบางระจันอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะครั้นต่อมาเมื่อปลายสมัยกรุงทนบุรีค่ะได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่ที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้วและก็ได้เรียกชื่อเมืองใหม่ว่าอ่างทองความหมายก็คือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําอันเปรียบเสมือนขุมทรัพย์นั่นเองนะคะในจังหวัดอ่างทองมีหลายสถานที่หลายแห่งเป็นดินแดนแห่งความเร้นลับอย่างเช่นเมืองลับแลในหมู่บ้านการ้อง ซึ่งมีชาวบ้านเคยพลัดหลงเข้าไปปรากฏค่ะว่าได้ไปพบกันกับอมะตะนครซึ่งทั้งเมืองมีแต่หญิงสาวร่างสกสาร์ชาวบ้านคนนั้นได้ผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยาค่ะต่อมาเขาได้ทําผิดกฎของหมู่บ้านคือแอบไปได้เสียกับผู้หญิงอีกคนทําให้ผู้ดูแลอมะตะนครนิกโกรธแล้วก็ขับไล่เขาออกมาชาวบ้านคนนั้นก็ได้กลับมายังโลกมนุษย์ท่ามกลางความประหลาดใจของพวกเพื่อนบ้านเนื่องจากเขาหายไปถึงสองปีเต็ม ะะเมื่อชายคนนั้นกลับมาเล่าเรื่องราวที่เขาได้ประสบมาแทนที่คนฟังจะเชื่อเรื่องที่เขาเล่าตรงกันข้ามค่ะทุกคนกลับมองเห็นว่าเขาเสียสติไปแล้วและที่น่าเจ็บใจคือบรรดาญาติพี่น้องพยายามที่จะนําตัวเขาส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะ มีคนเคยได้พยายามติดต่อตามหาชายผู้นี้แต่ว่าไม่พบนะคะซึ่งข่าวล่าสุดค่ะบอกว่าเขาได้หนีออกจากหมู่บ้านการ้องเหตุผลคือเขาทนสภาพเดิมๆไม่ได้ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าชายคนนั้นเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนมีน้ําใจมากทีเดียวเวลาแม่ค้านาผักมาขายในตลาดสดเขาจะช่วยพวกแม่ค้าเนี่ยขนผักลงจากรถสามล้อเงินทองก็ไม่เคยเรียกร้อง พอเขาหายตัวไปทุกคนก็คิดถึงเขาอยากให้เขากลับมาสาเหตุที่เขาหนีไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองลับแลซึ่งเขาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเคยพลัดหลงเข้าไปในเมืองลับแลและไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียต่อมาเขาไปได้เสียกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นความผิดอย่างร้ายแรงเขาก็เลยถูกขับไล่ออกจากเมืองทันทีแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนเชื่อในเรื่องที่เขาเล่า เรื่องของเมืองลับแลเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะคะว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่ต่างก็เชื่อว่าเมืองลับแลมีจริงหากจะเป็นเมืองลับแลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของมิติต่างพบต่างการเวลากันบางคนเคยก้าวล่วงไปสู่มิติแห่งการมาแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนอกจากเรื่องของเมืองลับแลนะคะในจังหวัดอ่างทองค่ะยังมีสถานที่เร้นลับอีกที่หนึ่งนั่นก็คือโบสร้างที่วัดสันกระต่าย วัดสันกระต่ายเชื่อว่าคนในจังหวัดอ่างทองบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเนื่องจากเป็นโบสถ์ร้างที่มีขนาดเล็กและอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับผนังด้านนอกของโบสถ์ถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันจนมิดไปหมดและภายในโบสถ์ก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยร้อยปีซึ่งชาวบ้านต่างร่ำลือในเรื่อ ง, องความศักดิ์สิทธิ์คุณเฉลียวอยู่รอดค่ะได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนช่วงเทศกาลตรุษจีน เขากับพวกเพื่อนๆได้จัดนำเที่ยวไปยังจังหวัดตราดค่ะบอกว่าไม่ได้นัดให้รถมารับที่หน้าสถานีตำรวจนะช่วงเวลาประมาณตี2 แต่มีเพื่อนคนหนึ่งให้ไปรับเขาที่บ้านซึ่งอยู่ในบริเวณข้างๆกันกับวัดสันกระต่ายเขาบอกว่าตอนนั้นผมไม่รู้จักว่าวัดสันกระต่ายอยู่ที่ไหนเพื่อนจึงเขียนแผนที่คร่าวๆมาให้พอรถจะออกผมก็เลยส่งแผนที่ให้คนขับรถแล้วถามเขาว่ารู้จักวัดสันกระต่ายหรือเปล่าคนขับตอบว่าไม่รู้จักแต่ว่าเคยได้ยินชื่อแล้วเขาก็ขับรถไปตามแผนที่ ผมยอมรับว่าเส้นทางค่อนข้างสับสนพอสมควรเพราะว่าแผนที่ที่เขาเขียนไม่ค่อยละเอียดเขาขับผ่านวัดวัดหนึ่งภายในโบสถ์มีแสงไฟสองสว่างพอขับรถเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังออกมาตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจเวลาเพิ่งจะตีสองเสร็ จ, รจทำไมพระวัดนี้จึงขยันเหลือเกินผมจึงให้คนขับรถจอด ใจจริงผมต้องการจะลงมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะผมต้องเดินทางอีกไกลแต่พอเข้าไปดูในโบสถ์ก็ต้องใจหายว่าเพราะข้างในโบสถ์ไม่มีพระแม้แต่รูปเดียวผมยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกสักพักได้ยินเสียงเพื่อนเรียกชื่อนั่นแหละผมจึงรู้สึกตัวผมวิ่งกลับมาที่รถทันที คุณเฉลียวได้ถามคนบนรถว่าเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงพระสวดหรือเปล่าทุกคนตอบว่าได้ยินคุณเฉลียวก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับทุกๆคนบนรถได้ฟังนะคะคนบนรถเมื่อได้ฟังค่ะตาต่างก็อึง้งพูดไม่ออกคุณเฉลียวบอกผมขอให้พวกเขาลงไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองเพราะผมต้องการพยานหลายคน หากผมนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครๆฟงังเขาอาจจะคิดว่าผมเสียสติซึ่งทุกคนก็เห็นเหมือนกันกันกบผมในโบทไม่มีพระสงฆ์นอกจากพระประธานแล้วเสียงสวดได้ยินที่เกิดขึ้นมาจากไหน เรื่องนี้คุณเฉลียวบอกว่าเขาเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าหลวงพ่อซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์ต้องการจัดแสดงอภินิหารและโบสถ์ที่คุณเฉลียวเข้าไปนั้นมารู้ทีหลังก็คือวัดสันกระต่ายนั่นเองค่ะเพื่อความกระจ่างของเรื่องก็เลยได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับคําตอบว่าวัดสันกระต่ายเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างเมื่อใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ว่าจากการสันนิษฐานเชื่อนะคะว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน้นสถานภาพเดิมคงจะเป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมีอีกเรื่องหนึ่งชวนสงสัยอยู่นะคะจริงๆแล้วตามโบสถ์ในวัดทั่วไปจะมีพระประธานอยู่เพียงองค์เดียวแต่ว่าวัดสันกระต่ายกลับมีพระประธานถึงสององค์ก็เลยทําให้มีข้อสันนิษฐานว่าผู้สร้างวัดนี้น่าจะเป็นพี่น้องกันคนพี่สร้างองค์หนึ่งคนน้องสร้างองค์หนึ่ง นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่ำลือกันนะคะว่าสถานที่แห่งนี้มักจะเกิดเรื่องราวเล่นลับอยู่เป็นประจำโดยในอดีตนะคะวัดนี้พม่าพยายามทำลายพระประธานในโบสถ์แต่ว่าขณะนั้นก็ได้มีเหตุอาเพศเกิดขึ้นคือมีตัวต่ อ, ต, ต, อตัวแตมจำนวนมากค่ะ บินออกมาจากพระประธานของพระพุทธ ร, รูปทั้งสององค์เนี่ยนะคะจากนั้นก็ได้ไล่ทำร้ายทหารพมา่าได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต้องล่าถอยกลับไปแต่ที่เห็นชาวบ้านโจดจันกันมากกว่าเรื่องอื่นนั่นก็คือ หลายคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังออกมาจากโบสถ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าวัดวาอารามต่างๆนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมต้องมีรุกขเทวดาคอยปกปักรักษาสถานที่เหล่านั้นอยู่บ้างเป็นธรรมดานะคะอีกตำนานความเชื่อเรื่องหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนั่นคือสมบัติใต้พระนอนค่ะกล่าวกันว่าหากไม่มีจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดอ่างทองเนี่ยแหละคงจะเป็นจังหวัดที่ร่ํารวยที่สุดของประเทศไทย มีคนบอกนะคะว่าจังหวัดอ่างทองเป็นเพียงแค่เมืองผ่านนักท่องเที่ยวก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะจังหวัดอ่างทองถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเมื่อท่านเดินทางมายังจังหวัดอ่างทองสถานที่แห่งแรกที่ท่านควรไปก็คือศาลหลักเมืองซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกันกันกบสารกลางจังหวัดสร้างเป็นอาคารจัตุรมุกนะคะภายในศาลเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพพุ่มข้าวบินกัานแย่งสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็มีตำนานเล่าขานเรื่องการสร้างเสาหลักเมืองการสร้างเสาหลักเมืองของคนโบราณมีความน่ากลัวแล้วก็โหดเหี้ยมมากเพราะว่าต้องนำคนเป็นมาฝังรวมกันในหลุมจากนั้นจึงนาไม้ที่ถูกคัดเลือกมาให้เป็นเสาหลักเมืองแล้วก็มาปักลงไป แล้วก็ทําการกลบฝังเสาหลักเมืองวิธีการแบบนี้ก็ไม่ต่างกับการฝังคนทั้งเป็นซึ่งมีความโหดร้ายมากถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คำตอบก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะผู้กระทาพิธีกรรมนี้มีความเชื่อนะคะว่าวิ ญ, ญญาณคนตายจะทําหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขศัตรูไม่กล้ามารุกรานโดยคนสมัยก่อนเขามีความเชื่อแบบนั้น ถ้าจะถามต่อไปว่าคนที่ถูกฟังทั้งเป็นเขาจะนึกอย่างไรคำตอบเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็นสองประเด็นคือหากเขามีความเต็มใจยินดีสละชีพเพื่อชาติการสร้างเสาหลักเมืองเชื่อได้นะคะว่าคงต้องเหี้ยนไม่ใช่เล่นแต่ว่าถ้าเขาไม่เต็มใจละ่ะ การสร้างเสาหลักเมืองครั้งนั้นแทนที่จะให้คุณค่ะกลับต้องส่งผลในทางตรงกันข้ามเพราะว่าวิญญาณคนที่ถูกฆ่าต้องมีความอาฆาตพยาบาทแทนที่จะปกปักรักษาบ้านเมืองกลับทำให้บ้านเมืองมีแต่ความทุกข์ลำเค็นนะคะ แต่ก็เชื่อนะคะว่าเหตุผลน่าจะมาจากความเต็มใจสละชีพเพื่อชาติมากกว่าเพราะว่าคนสมัยก่อนมีความกล้าหาญชันชยัยหากต้องตายเพื่อชาติเขาก็พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นปัตภีจากเนื้อมือของศัตรูสมกับคำกล่าวที่ว่าตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารซึ่งคนคลาดย่อมไม่เข้าใจว่าความกล้าเป็นอย่างไรนะคะ ในจังหวัดอ่างทองมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคนโบราณได้เล่าขานบอกต่อๆกันมาว่ามีกลุสมบัติจํานวนมหาศาลซุกซ่อนอยู่สถานที่แห่งนั้นก็คือวัดขุนอินทประมูลตั้งอยู่ที่ตําบลอินทประมูลอํเาเภอโพทองเป็นวัดที่เก่าแก่ค่ะแล้วก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามหลักฐานที่ปรากฏทําให้เชื่อนะคะว่าสมัยก่อนวัดขุนอินทประมูลคงจะเป็นวัดขนาดใหญ่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก สำหรับวัดขุนอินทประมูลสร้างโดยขุนอินทประมูลค่ะข้าราชการที่มีความสามารถในการปกครองโดยตำนานกล่าวไว้นะคะว่าตัวของขุนอินมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาดังนั้นค่ะท่านจึงคิดจะสร้างวัดที่มีขนาดใหญ่โตเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแต่ว่าการสร้างวัดที่มีขนาดใหญ่โตมโหลานเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุนรอนมากมายมหาศาล ขุนอินจึงออกเรียรายชาวบ้านซึ่งเป็นพวกลูกบ้านก็ได้เงินแล้วก็ของมีค่าเป็นจำนวนมากนะคะต่อมาทางเมืองหลวงมีคำสั่งให้ขุนอินเก็บจังกอบ ก็คือเก็บภาษีนี่แหละนะคะเก็บภาษีให้มากขึ้นก็เลยทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นสองเท่าเพราะว่าส่วนหนึ่งขุนอินต้องส่งจังกอบเข้าพระคลังหลวงแต่ว่าจังกอบอีกส่วนหนึ่งขุนอินต้องเก็บไว้สําหรับสร้างวัดนะคะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้ส่งข้อความร้องทุกข์ไปยังวังหลวงเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทราบเรื่องส่งไม่พอพระไทยก็เข้าพระไทยผิดคิดว่าขุนอินเนี่ยโกงบ้านโกงเมืองซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต เมื่อขุนอินทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจได้รีบเดินทางเข้ามาชี้แจงข้อเ ท, ท็จจริงว่าเงินทองหรือจักอบที่ท่านเก็บจากชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ส่งเข้าพระคลังหลวงตามคาบัญชาของพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งได้นำไปสร้างวัดขุนอินทประมูลแต่ว่าคำชี้แจงของขุนอินทประมูลไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่เชื่อ ขุนอินทประมูลจึงถูกจับตัวไปสอบสวนขุนอินทประมูลได้ยืนยันเสียงแข็งว่าจังกอบที่ท่านเก็บไปนั้นนำไปสร้างวัดจริงๆแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเห็นนะคะว่าจำนวนของจังกอบที่ขุนอินรีดไปจากชาวบ้านมันมีจำนวนมากมายมหาศาลแม้จะนำไปสร้างวัดขุนอินทประมูลเสร็จเรียบร้อยมันจะต้องมีจังกอบเหลืออีกเป็นจานวนมาก ขุนอินก็เลยยืนยันนะคะว่าจังกรบที่ใช้ในการสร้างวัดมันได้หมดลงพอดีแต่พระเจ้าแผ่นดินไม่เชื่อว่าขุนอินพูดความจริงพระองค์ก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยทรมานขุนอินเพื่อที่จะพยายามรีดเค้นความจริงว่าขุนอินนำจังกรไปซ่อนไว้ที่ใดนะคะสําหรับวิธีการทรมานก็คือนำขุนอินไปฝังทั้งเป็นค่ะโดยวิธีมัดมือไพล่หลังแล้วก็นาไปฝังลงในหลุม จากนั้นก็ค่อยๆใช้ดินกลบฝังร่างอย่างช้าๆจนกว่าขุนอินจะยอมรับสารภาพแต่จนแล้วจนรอดขุนอินก็ไม่ยอมปริปากนะคะในที่สุดขุนอินก็ต้องจบชีวิตลงอย่างทุกข์ทรมานสถานที่ที่ขุนอินใช้เป็นแหล่งซุกซ่อนสมบัติจํานวนมหาศาลถูกปิดเป็นความลับไปพร้อมๆกับการเสียชีวิตของขุนอินทประมูลในครั้งนั้น หลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้มีชาวบ้านซึ่งเป็นลูกน้องของขุนอินเน้นำความเข้าแจ้งกับทางการบ้านเมืองบอกถึงที่ซ่อนสมบัติว่าขุนอินได้นำไปฝังไว้บริเวณใต้องค์หลวงพ่อพระนอนซึ่งขุนอินเป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินก็เลยส่งทหารมาทำการขุดหาสมบัติปรากฏนะคะว่านอกจากจะไม่พบสมบัติแล้วสิ่งที่พวกทหารเจอกลับเป็นเรื่องราวความเร้นลับซึ่งเต็มไปด้วยความสะพรึงกลัว การขุดหาสมบัติจึงไม่อาจกระทำต่อไปได้เรื่องของสมบัติขุนอินที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่แต่สิ่งที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก็คือวันดีคืนดีค่ะก็จะพบกันกับแสงประหลาดพวยพุ่งออกมาจากองค์หลวงพ่อพระนอนเป็นแสงสีทองเปล่งประกายสุกใสาชาวบ้านต่างมีความเชื่อนะคะว่าแสงที่เปล่งประกายออกมานั้นน่าจะเป็นสมบัติของขุนอินที่นำมาซุกซ่อนไว้ที่นี่นั่นเองค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ